มีพ่อค้าคนหนึ่งจะไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมาเมื่อเสร็จคอร์สก็เกิดความตั้งใจว่าจะพยายามทําสมาธิให้ได้ต่อเนื่องโดยเพรา ะ, ะหลังจากเสร็จงานเสร็จการแกก็ทําสมาธิมาทุกเย็นนะจนกระทั่งพอถึงวันเสาร์ตั้งใจว่าจะทําสมาธิตั้งแต่เช้าเลย แต่ปรากฏว่าเด็กนะเด็กในแถวแถวเราแวกนั้นเนี่ยมาตั้งทีมเล่นฟุตบอลกันหน้าบ้านแกเลยนะ ถ, ถนนแกนี่มันมีที่ว่างนะก็เล่นกันนะริมถนนหน้ากลางถนนเลยเสียงเด็กเอะอะว้อยวายเจเสียงดังนะก็นั่งสมาธิไม่ค่อยได้ ลุงคนนี้แกก็เลยคิดว่าทํายังไงนะถึงจะให้เด็กเนี่ยเลิกเล่นฟุตบอลนะถ้าจะไล่เด็กไปเนี่ยก็คงไม่ได้ผ ล, ลเด็กก็กลับมาอีกแล้วก็อาจจะส่งเสียงดังยิ่งกว่าเดิมแกก็เลยออกอุบายนะพอเด็กเล่นบอลจบนะก็ลงไปหาเด็กแล้วก็บอกว่านะพวกเธอนี่ทําให้ลุงนะคิดถึง สมัยที่ยังเป็นเด็กนะเห็นพวกเธอเล่นแล้วสุดจิตใจเบิกบานก็อยากจะให้รางวัลเธอนะร้อยบาทนะเด็กก็ดีใจนะอาทิตย์ต่อมาเสาต่อมาเด็กก็มาอีกนะอันลุงก็ลงไปหาเด็กนะแล้วก็บอกว่าขอบใจหนะ้าที่มันเล่นฟุตบอล แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเงินไม่ค่อยมีนะเอาไปห้าสิบบาทเด็กก็รับไปแล้วก็กลับสาวต่อมาเด็กก็มาเล่นอีกนะที น, นี้ลุงก็ลงมาจากข้างบนนะลงม า, าข้างล่างมาหาเด็กแล้วก็บอกว่าเนี่ยช่วงนี้นะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเลยนะขายก็ไม่ค่อยได้เอาไปสิบบาทก็แล้วกันนะ ทีนกกี้เด็กก็เด็กก็รับไปแบบเสียไม่ได้แล้วอันที่ต่อมาเด็กก็ไม่มาเลยทําไมเด็กไม่มานะเพราะเดี็กรู้สึกว่าไม่คุ้มเลยได้สิบบาทนะไม่คุ้มเหนื่อยเลยน ะ, ะเล่นต้องเล่นเหนื่อยถ้าตายนี่ได้แค่สิบาทเด็กก็เลยไม่มาเลยก็เลยสมความปรารถนาของอาลุงคนนี้นะ บรรยากาศความสงบก็กลับคืนมามันน่าแปลกนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเด็กเนี่ยเล่นฟรีๆเนี่ยนะเด็กก็เล่นนะไม่ได้เงินเด็กก็เล่นอย่างความด้วยความสนุกสนานแต่ว่าพอได้เงินสิบบาทแล้วกลับไม่เล่นแล้วบอกว่าไม่คุ้มเด็กลืมไปว่าแต่ก่อนตัวเองก็เล่นโดยที่ไม่ได้มีเงินตอบแทนเลยนะแล้วก็เล่นด้วยความสนุก แต่ว่าคราวนี้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าไม่สนุกละที่จะเล่นเพราะว่าได้แค่สิบบาทที่จริงเด็กน่าจะคิดนะว่าแต่ก่อนนี่ตัวเองเนี่ยไม่ได้สักบาทก็ยังเล่นแต่ทําไมเด็กได้10บาทคราวนี้เด็กไม่เล่นแล้วเพราะเด็กคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะได้ 100, ร้อยหรืออย่างน้อยก็น่าจะได้ห้าสิบเด็กไม่ได้คิดว่าตัวเองได้10บาทเด็กคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียเก้าสิบาท เด็กคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียเก้าสิบบาทนะไม่ใช่ได้สิบบาทนะเด็กก็เลยเลิกเล่นอันเด็กมองงนี้ถูกหรือผิดนะเราเคยมองแบบนี้บ้างหรือเปล่านะแทนที่จะคิดว่าตัวเองได้สิบบาทแต่ก่อนไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ได้สิบบาทแล้วเด็กกับคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียเก้าสิบอันนี้เรียกามองแง่ลบนะมองว่าเสียแทนที่จะมองว่าได้คนที่ฉลาดเนี่ยจะมองว่าเออ ฉันได้สิบบาทนะแต่ก่อนนี่ไม่ได้สักบาทเลยตอนนี้ฉันได้สิบบาทแล้วคนฉลาดก็จะมองแง่บวกคือมองว่าได้แต่คนไม่ฉลาดนี่มองว่าเสียนะมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเป็นคนที่มีจิตใจงามชอบไปช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากลำบากโดยพระในชนบท สิ่งที่แกทำเป็นประจำคือชวนนักศึกษาหนุ่มสาวเนี่ยไปไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ธุระ ก, กันดาลคราวหนึ่งก็พานักศึกษาเนี่ยหนุ่มสาวไปพัฒนาโรงเรียนที่แม่ห้องสอนพอเสร็จก็นั่งรถกลับตัวแกเองก็จะไปแม่สอน ต, ต่อนะไปช่วยเหลือ คนที่ลำบากที่นั่นด้วยเพราะพวกชาวเด็กพม่ากเกเรียงไอตอนที่ลดลงเขาเนี่ยแม่ทสอนนี่มันมีเขามันมีโค้งเยอะเป็นพันคลงแลวเพราะว่ารถเนี่ยเกิดพลาดแหกโค้งลงไปในเหวแกก็ภาวนาว่าเนี่ยขอให้ทุกคนปลอดภัยบอกว่าทุกคนก็ปลอดภัยจริงนะที่แกพามาเนี่ยยกเว้นแกแกก็อ่ ถูกกระแทกนะก็ทำให้พิการตั้งแต่เอวลงไปก็มีเพียงแค่ครึ่งตัวนะั้นนะที่ยังเป็นปกติอยู่ช่วงที่แกนอนโรงพยาบาลก็มีเพื่อนมาเยี่ยมเพื่อนก็เห็นรับรู้อาการของแกก็เสียใจเศร้าบางคนก็บน่นตัดเพาะว่าทำไมทำบุญถึงต้องมาเจอแบบนี้นะ หลายคนคิดแบบนี้นะว่าทําไมทําบุญแล้วต้องมาเจออุปติเหตุแต่ว่าผู้ชายคนนี้แกกับผู้เตือนสติหรือผู้ให้กําลังใจนะตัวแกเองไม่ได้เสียใจเลยนะแกกับผู้ว่านี่ก็เพราะทำบุญเนี่ยเชถึงรอดมาได้ขนาดนี้คือรอดมาได้ครึ่งตัวเพื่อนมองว่าแกเนี่ยพิการไปครึ่งหนึ่ง แต่ว่าตัวแกเองกับมองว่าแกเนี่ยยังปกติอยู่อีกครึ่งหนึ่งนะอันนี้เห็นไหมมุมมองที่ต่างกันคนหนึ่งเนี่ยมองลบว่าพิการครึ่งตัวแต่ตัวคนไข้เองเนี่กลับมองว่าเออฉันยังปกติดีอยู่มาครึ่งหนึ่งฉันรอดมาได้ครึ่งหนึ่งถือว่าโชคดีเหตุการณ์เดียวกันคนคนนึงบอกว่าโชคร้ายแต่เจ้าตัวเนี่ยกลับมองว่าเป็นโชคดี รอดมาได้ครึ่งตัวอันนี้เรียกว่าแก ม, ม, มีมุมมองในแง่บวกนะคนเราถ้ามองแบบนี้เนี่ยนะเจออะไรเนี่ยก็ไม่ทุกนะเพราะว่ายังรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเสมออันนี้ต่างจากเด็กนะั้นในเรื่องที่เล่านะเด็กเรื่องที่เล่านี่เขามองแง่ลบเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยแทนที่จะคิดว่าตัวเองได้สิบบาทเขากลับมองว่าตัวเองเนี่ยเสีย90้า ตรงข้ามกับผู้ชายคนนี้ชาหนุ่มคนนี้แกมองว่าฉันไม่ได้เสียไปครึ่งตัวนะนะแต่ฉันอยู่รอดมาครึ่งหนึ่งมีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นเป็ น, ปนโรคทรัสซีเมียโรคทรัสซีเมียนี่เป็นโรคเลือดติดจากพ่อแม่ถ้าพ่อมีเป็นพาหะาทรัสซีเมียแม่เป็นพ า, าทรัสซีเมียแต่งงานกันมีลูกก็เป็นแน่นอน คนอีสานนี่เป็นเยอะนะเป็นพาหะทรัสซิเมียเยอะแล้วก็กระจายไปภาคอื่นด้วยเน่เวลาจะแต่งงานถ้าตรวจเลือดก็ดีนะจะได้รู้ว่าเป็นพาหะทรัสซิเมียหรือเปล่าถ้าพ่อเป็นแม่ไม่เป็นก็ไม่ลูกไม่เป็นอะไรถ้าลูกเป็นพาหะแม่ถ้าลูกแม่เป็นพาหะพ่อไม่เป็นลูกก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันนี้แกเป็นทรัสซิเมียอย่างแรงเลยแล้วก็หมอบอกว่าเนี่ยอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบหรอก เพราะว่าร่างกายแครแกนอ่อนแอตาโปนผิวหนังกระดูกเปราะหกล้มเมื่อไหรก็แขนหักขาหักต้องใส่เฟืองนี่นับสิบครั้งแล้วแต่ว่าแกก็อยู่ได้อายุมาถึง30สกว่าคนน้องพึ่งเสียชีวิตไปเมื่อสามสปีก่อนช่แกมคนมีความสุขนังสองคนทั้งที่ว่าจะตายเมื่อไหรก็ไม่รู้บางทีก็ไป มีช่วหนึ่งก็ไปเป็นดีเจให้วิทยุคลื่นความสุขนะเธอก็มีความสุขทั้งสองคนก็มีคนถามว่าทาไมเธอถึงมีความสุขทั้งที่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เธอบอกว่าถึงแม้เรือันจะแย่นะแต่ฉันยังมีตาเห็นสิ่งสวยงามยังมีจมูกดมกลิ่นหอมยังมีหูฟังเสียงไพเราะกินอะไรก็อร่อยเดินเหินไปไหนมาไหนก็ได้เท่านี้ก็มีความสุขแล้วคือแทนที่จะเธอ แทนที่เธอจะบ่นว่าเนี่ยเลือดฉันแย่เลือด ช, นอชันไม่ดีแต่เธอกลับมองว่าเออชันยังมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สมองที่ดีอยู่นี่เรว่าเป็นคนมองแง่บวกคือมองเห็นด้านมองมองเห็นส่วนดีที่มีอยู่ไม่มองส่วนที่ลบนะงั้นถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยเจ็บป่วยยังไงเนี่ยเราก็ยังยิ้มได้เป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารแต่ว่าก็ไม่เสียใจเพราะว่าตาหูจมูกลิ้น หัวใจปอดตับยังดีอยู่นะเสียแค่หนึ่งแต่อีกเก้าสิบยังดีอยู่นะหรือแม้จะเสียไปครึ่งหนึ่งนะก็ยังยิ้มได้เพราะอีกครึ่งหนึ่งยังดีอยู่นะอย่างผู้ชายคนเมื่อที่พูดเมื่อสักครู่ลองกลับไปถามตัวเองนะว่าเออเรานี่มองลบหรือมองบวกนะเวลาเจออะไรมากระทบอะ่ะถ้ามองลบนี่แม้จะได้โชคลาภก็ยังทุกข์นะเพราะยังรู้สึกว่าตัวเองเสียอยู่นั่นแหละ อ่แล้วเตรียมรับพร